จิตของคนเรานี่มันฝึกยากการฝึกผลอันใดมันจะยากเท่ากับการฝึกผลจิตนี่ไม่มีต้องให้เข้าใจอย่างนั้นก็จนว่าต้องสร้างบา ร, รมีเอามากมายตามประวัติท่านผู้หลุดพ้นไปแล้วนั่นนะ นานตั้งแสนกับตุนกว่าบุญบา ร, รมีจะเต็มพระพุทธเจ้ายิ่งมากกว่านั้นอีกหลายร้อยเท่าก็ล้วนแต่สร้างบา ร, รมีเพื่อฝึ ก, กจิตตรงนี้แหละให้มันละกิเลสที่มันเคยผูกพันมาในสงสารนี่ คนไม่มีบุญไม่มีความดีก็ไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาก็ละ ก, กิเลสไม่ได้มันต้องให้เข้าใจปัญญามันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเองได้โดยไม่ได้ทําความดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ปัญญามันเกิดขึ้น จะจากการประกอบทางคิดใจเช่นอย่างว่าการที่เราคิดทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆในหน้าที่ของตนนี่มันก็เป็นการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นส่วนหนึ่งถ้าคนไม่ใช้ปัญญามันก็ไม่รู้ว่าตนควรจะทำอะไรหน้าที่ของตนมีอย่างไรก็ไม่รู้ ก็ทำไม่ได้นี่ต่อเมื่อเยเราได้คิดเราได้วิจารณ์เออเวลานี้เราจะทำอะไรหนออย่างนี้นะมันก็มองเห็นได้โอเวลานี้เราต้องทำอย่างนั้นเออเวลานั้นทำอย่างนั้นเราคิดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วถึงเวลานั้นมาแล้วก็ลงมือทําอย่างนั้นไปเลยเอ่า การ ง, งานนั้นมันก็เดินไปได้ดีนี่แหละเรื่องของปัญญาปัญญาในหมายมาคำว่าเราใช้ความคิดเป็นผู้คิดเป็นผู้ตริตรองคนไม่มีปัญญาหมายคนหมายถึงคนสิ้นคิดคนไม่คิดไม่อ่านมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสว่า ปัญญาเวชายเตภูริปัญญาย่อมเกิดเพราะเพราะความประกอบอือย่างนี้เนีเ่ยก็องค์เจ้าตรัสไว้อย่างนี้ก็เพื่อให้พุทธบริษัทได้พิจารณารู้ที่เกิดของปัญญามันจะเกิดได้อย่างไรก็ เ, เกิดได้ด้วยการประกอบการงานที่ชอบต่างๆนั้นเน่ง พูดถึงปัญญาในโลกก็เกิดจากการศึกษาเราเรียนศิลปวิทยาต่งตงางๆเพราะหลักวิชาที่เขาสอนนั้นล้วนแต่เป็นวิชาซึ่งประกอบอาชีพนะให้รู้จักหน้าที่การงานของของตนผู้ใดถนัดวิชาความรู้อย่างไรก็เรียนอย่างนั้นเมื่อเรียนจบแล้วก็ ไปหางานทาในหน้าที่นั้นได้ในเมื่อมีใบประ ก, กาศเสบัรไปยืนยันกับเจ้าของงานเขาหรือกับรัฐบาลอย่างนี้แหละอันนั้นเรียกว่างานทางโลกอันนั้นที่งานทางธรรมนี่เราไม่ได้ มีผู้ใดมาบงการให้เราทำงานอย่างโน้นอย่างนี้แล้วเราจะได้รางวัลเนี่ยไม่มีมการที่บุคคลมาคิดอ่านทำอย่างไรหนาเราจรึงจะได้บริจาคทานสร้างบุญบา ร, รมีในโลกนี้พ อ, อมาดำหลีอย่างนี้แล้วอา้าวการบริจาคทานมันก็ต้องมีวัตถุพยาทานจึงบริจาคได้ ถ้าตนมัวตะเกียจคร้านอยู่ไม่ทําการงานเช่นนี้เราจะเอาอะไรมาเป็นวัตถุทานได้เขคิดได้อย่างนี้มันก็ทําการงานเข้าไปด้วยความมั่นด้วยขยันด้วยการใช้สติปัญญาเข้าไปไม่ท้อไม่ถอย ม, มันก็ได้เงินได้ทองมาได้ข้าของมาเลื้อใช้เลือจ่ายในครอบครัวก็ได้เฉลี่ยแบ่งทําสละออกให้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น แก่วนรวมได้นั่นนั่นแหะที่ที่ทําได้ที่คนเราทําได้อย่างนี้ทําบุญทำทานได้ก็เพราะมีปัญญานั่นแหละประกอบการงานที่ชอบได้เงินได้ทองมาเนี่ยเมื่อได้ทองได้เงินได้ทองมาแล้วก็มีปัญญาสอนจิตใจไใม่ห้่วงไม่ให็นีเพราะว่าของเหล่านี้ถึงได้มาแล้วมันก็ไม่ยั่งยืน ใช่ไปก็หมดไปทีนี้บุคคลผู้ฉลาดได้เงินทองก็ของมาแล้วก็ใช้จ่ายแต่ในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประหยัดใช้ประหยัดจ่ายเรื่องใดที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตก็ไม่ใช้ไม่จ่ายนั่นเดียวว่าจ่ายไปก็จ่ายแบบไม่คุ่มเฟือยให้สงกับฐานะ รายรับมีเท่าไรก็ต้องจ่ายไปตามนั้นอย่าให้เกินนั้นให้มีเหลือไว้อย่างนี้นะมันอย่างนี้มันนี่มันก็เกิดจากปัญญาทั้งนั้นแหละคนไม่ช่างคิดไม่ช่างกรองก็ตกเป็นทาสของตัณหาหาเงินหาทองมาได้เท่าไรก็จ่ายไปแต่พืทธเพื อ, พอยังไม่พอแก่ความอยากไปติดนี่เขาไปอีกอ่ อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ในภายหลังไม่ ม, มีเมื่อไม่มีเงินจะใช้นี่เขาไม่มีเงินจะใช้ดอกเบี้ยเขาอย่างนี้นะเอาแล้วมันก็เดือดร้อนแล้วมรดอกอะไรพ่อแม่มอบหมายไว้ให้เจ้านี้เขามาฟ้องยึดทรัพย์เอาไปหมดแทบจะไม่มีที่อยู่เลยบางคนนะก็เพราะความไม่มีปัญญาของตัวเองนั่นแหละ ตัวเองค่ะทำใส่ตัวเองคนมีปัญญาไม่ควรที่จะไปผูกมัดตัวเองปล่อยให้คนอื่นเข้ามาย่ำยีสิทธิเสรีภาพของตนถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็คับแค้นใจตายทุทีนั่นนี่เมื่อ น, นึกถึงภายหลังมาว่าตนน่ะมันเสียเปรียบเขา มันโง่ไม่ได้ใช้หัวคิดนี่คิดมาทะเลกุ่มใจนี่แหละคนที่ฆ่าตัวตายอยู่บนนั้นเมันก็รู้วนแต่มันขาดปัญญาทำอะไรไม่ได้ใช้ปัญญามไม่ได้คิดได้อ่านตีตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนผู้เช่นนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเราจะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลอ เมื่อตอนไม่มีปัญญาแล้วก็ทำทาแต่ทุกข์ให้แก่ตัวเองเลยกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปมันจะเอาจิตใจที่ไหนมาทำบุญทำทานก็ฟังเทศน์ฟังธรรมได้อยู่นั่นแหละนั่นเองผู้ที่เข้าวัดฟังทำจำศีลได้มันก็คนมีปัญญาเลยไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเองให้แก่ครอบครัวรู้จักประหยัดรู้จักใช้รู้จักจ่ายพอหมวะพอกกดี กับฐานะของตัวเองเช่นนี้มันก็มีโอกาสได้เข้าวัดได้ฟังธรรมจำศีลภาวนาจิตใจก็ลงไปได้เพราะมันไม่มีเรื่องยุ่งยากอะไรมาทับถมจิตใจนี่นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสสัมมาอาชีวะไว้ในองค์มรรคและการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบนะ โดยพยายามให้เป็นนี่เป็นสิ่นใครหาเอาด้วยลาพังสติปัญญาของตัวเองได้น้อยก็ใช้จ่ายตามน้อยได้มากก็ใช้จ่ายตามมากอดออมเอาอจะไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างคนที่เขาร่ำรวยมากนั้นไม่ได้แล้วถ้าหาว่าฝึกตนไปอย่างนี้นะได้อย่างนี้แล้วก็ แม้จะไม่ร่ำรวยเงินทองเท่าไรมันก็ปฏิบัติศีลธรรมได้ก็สร้างบุญสร้างกุศลได้เรียว่ามันสำคัญอยู่ที่ใจยังวันนึนะคนเรานี่นนะถ้าใจเสีย้าใจเศร้าหมองขุ่นมัวใจไม่มีสติปัญญาเปรืองความชั่วออกจากตัวไม่ได้แล้วมดค่ามดราคาของคนเลยคนพวกนั้นไม่มีค่าอะไร นั่นแหะที่มันฆ่าตัวตายนะมองดูชีวิตเจ้าของแล้วไม่มีค่าแม่แต่สตางแรงหนึ่งมิราบตีอยู่ไปทําไมหัวนั่นเพราะฉะนั้นคนเราอย่าไปทําอย่างนั้นก่อนจะถึงเวลาเช่นนั้นนะมันต้องเตรียมตัวป้องกันตนไว้ป้องกันความเศร้าโศกเสียใจความครับแค้นใจต่างๆนี่นะเราต้องหาทางป้องกันตนไว้อม เรื่องใดที่มันจะนำความทุกข์คอนโสงให้กับตุนก็อย่าไปทำมันนะอย่าไปอย่าพูดมันอย่าทำมันอย่างคนนะไม่ใช่สติปัญญาอาศัยจะเป็น่านแห่งตัณหาอันเมื่อมีพวกอันธพาลมาชักชวนไปดื่มเหล้าเมาสุราอย่างนี้นะก็ไปตามเขา เขาชักชวนไปเล่นการพนันนี่ก็ไปตามเขาไม่นึกถึงความเตอมความทิพไายจะมาถึงตัวนี่แหละคนไม่มีปัญญาคนไม่ใช่ความคิดคนไม่เป็นตัวของตัวเองเอาผู้อื่นเขาว่าถ้าบังเอิญไปคบกับคนพานเข้าเอาแล้วก็ต้อง ไ, ไปทำความชัว่วก็เขาทำตัวเองและครบอบครัวให้เดือดร้อนไปเลย คนเราถ้าหากว่ามามองดูกายดูวาจาดูใจอันนี้ว่ามันเป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่แล้วทันเดียวว่ากายสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติบุญกุศลที่ตนได้ทามาแต่ก่อนมันตกแต่งให้มาแล้วขอให้มารู้อย่างนี้เถอะคนเรานะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็จะวินิจฉัยได้เลยว่า เออร่างกายเนี่ยเราเราเราได้มาด้วยบุญนะไม่ใช่ได้มาด้วยบาปนะดังนั้นเราต้องใช้มันทำบุญหรือว่าเราได้มาด้วยการกระทำความดีไม่ใช่ได้มาด้วยการทำความชั่วผู้ที่ได้อัตภาพร่างกายนี้มาด้วยการทำกรรมมันชั่วบ้างดีบ้างก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยว่าคนเสียองค์พระคนพิกลวิการเต็มโลกอันนี้อยู่เนี่ย นั่นแหะมันมีทั้งมุญทั้งบาปตามมาสนองเอาอยู่นั่นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็มาสอนตนนะ อ, อย่าไปทําความช่วยอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าเบียนเบียนทัดทั้งหลายแล้วก็จะไม่มีกรรมมีเวรตามสนองอย่างนั้นนี่ก็นึกสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ถ้าหากว่าบุคคลไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมอย่างนี้ มันจะละบาปไม่ได้เลยขอให้เข้าใจกันแล้วกันเพราะว่าบุคคลนันน้นมันมักจะตกเป็นทาสของตัณหาอย่างว่านั่นเนี่ยตกเป็นทาสของอวิชชาก็ไม่รู้นี่นะเมื่อคอาไม่รู้ข้องามแล้วมันทำอะไรพูดอะไรไปมันก็พูดไปแบบคนไม่รู้นั่นแหละไปทำดีพูดดีไม่ค่อยได้เลยเป็น่บงนั้น ไม่มีปัญญาที่จะสอนตนเลยถ้าถูกอวิชชาครอบงำแล้วต้องระมัดรวังให้มากๆคนเราอย่าให้ความไม่รู้ความหลงอันมาครอบงำจิตใจทำอย่างไรล่ะเอาก็เป็นผู้ตื่นอยู่เรื่อยสิมีสติสมปัติเนา่ยเตือนตนอยู่เสมออย่าเป็นคนหูเบาเชื่อง่ายใครมาพูดอย่างไรอย่างไรให้ฟังแล้วก็ ฟังหูไว้หูไปอย่างงั้นเลยถ้าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องพันเราต้องสืบหาความจริงเรื่องนั้นให้พบเสีก่อนก่อนที่จะเชื่อว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงเราจะไม่รีบร้อนเชื่อบุคคลคนเดียวที่มาพูดนั้นเลยถ้าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องพนะันนะนี่นี่เรียกว่าเป็นผู้ไม่ก่อทุกข์ให้แก่ตัวเอง อย่างเช่นบางคนเลยนั่นแหละเขามาหลอเอาเงินเอาทองไปโดยที่รู้เท่าไม่ทันการไม่รู้จกักระเบียบของโลกของบ้านเมืองอะไรเลยอ่าหมู่นี้นะมันก็หนักใจภายหลังสิแบบนี้นะตัวไม่อบรมไม่ฟังไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้น อยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆอย่างนี้นะไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรไม่ทันคนนะคนผู้อันธพาลหลายก็มองเห็นเลยเออคนนี้เป็นคนซื่อๆหรือคนไม่มีปัญญาเขาก็สอดแทรกเข้าไปอืหาทางหลอกลวงชอ่อกงเอามันก็เป็นอย่างนั้นแนะ่ละในโลกนี้นะในโลกสัมวัตตนี้มันต้เป็นอย่างนั้นอนะืม เพราะฉะนั้นนะ่ะมันจริงว่าโลกมนุษย์เรานี่นะจึงเป็นสถานที่สร้างบารมีของบุคคลผู้เมื่อหนายผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอันนี้แต่ก็ยังละกิเลสตัณหาไม่ได้บั น, นี้ท่านรู้นี่ว่าเราจะละกิเลสตัณหาด้วยอาการอย่างไรท่านก็รู้ว่า ต้องทำความดีต้องสร้างบุญสร้างบา ร, รมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจึงจะละกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ได้ถ้าเราไม่มีบุญกุศลเป็นกำลังใจแม้จะรู้เห็นโทษของตัณหากิเลสอยู่มันก็นละมันไม่ได้ใครจะไม่เห็นโทษของตัณหาไม่มีหรอกเห็นดังนั้นแหละ เมื่อเวลาตนพลังเผลอเวลาลวมันก่อทุกข์ให้เราก็เห็นโทษของมันแต่ไม่มีปัญญาจะละมันได้เพราะอะไรนะนั่นเนี่ยคนไม่คิดมันก็ไม่รู้ก็เพราะตนมีบน้อยนั่นสิไม่ได้ทำความดีให้มากไปเช่นแต่ก่อนมาก็ไม่สนใจในการฟังคำสอนของนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลาย ไม่ได้ศึกษาเราเรียนวิชาความรู้อะไรอย่างนี้นะอยู่เป็นคนธรรมดาสามัญอยู่ไปตามญาถากรรมไปไม่ไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าเลยอย่างนี้นะพอเกิดมาในชาตินี้กรรมนั่นมันก็มาแต่งให้เกิดมาเป็นคนซื่อๆไม่มีสติปัญญาอะไรอย่างนั้นแหละ อาศัยบุญกุศลที่ทํามาแต่ก่อนนั้นมันมาตกแต่งร่างกายให้ดวงขิตนี่ได้อยู่ได้อาศัยไปแต่ไม่มีปัญญาที่จะทําความเจริญให้แก่ตนได้เป็นอย่างนี้มีอยู่เป็นจํานวนมากคนในโลกอันนี้น่ะมันเป็นอย่างนั้นก็ะเพาะมันนั่นแหละถ้าพูดถึงต้นตอนในแท้แล้วก็เพราะไม่เข้าหาสมาคงกนักปราดบัณฑิตนั่นเอง ไปเที่ยวคบหาสมาคมแต่คนชั่วเป็นมิตรเป็นสหายเนี่ยมาดนคนชั่วเขาก็แนะนำสั่งสอนไปแต่ในทางที่ไม่ดีนั่นแหละวันนี้ชักชวนให้ไปเป็นเจ้าชู้มายาสาไถกินไม่เลือกเงินทองมีเท่าไหร่ก็เอาไปปนเปื้อนความรักความใคร่เสียชักชวนให้ไปดื่ม ราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโลอินอย่างงี้เงินทองมีเท่าไหร่พอไม่เหลือไปซื้อของติดติดมารบุรีพวกมดสเนี่ยเอชักชวนให้ไปเล่นการพนันอย่างงี้เล่นไปได้บ้างเสียบ้างมาหนี้มัวแต่ไปเล่นการพนันอยู่การงานอื่นๆไม่ได้ทําพอเล่นไปเล่นมา ไอ้เงินที่ได้มันก็กลับศูนย์หายไปก็ลยเป็นคนจนกรอกอัดอั้นตันใจเงินก็เสียใจก็เสียบบนี้นั่นแหละการที่บุคคลไปคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วนี่จะเขาชักชวนให้ทำดำเนินชีวิตไปในทางชิบหายเหล่านี้นี่ควรจำไว้ให้แม่นทีเดียวทุกคนที่ มาอบรมตนในวัดวาศาสนานี่นะถ้าหากว่าไม่เข้าใจเรื่องการคบผาสมาคมกับบุคคลอย่างว่านี้แล้วแม้นจะมีความรู้เท่าไรท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอดเลยถ้าหลงไหลไปคบกับคนชั่วเหล่านั้นนะั่นนะจะมีความรู้ความฉลา่อย่างไรก็เอาตัวไม่รอดเพราะว่ามันอยู่ใต้อิทธิพลของพวกอันธพาลเหล่านั้นแล้ว นี่มันต้องรู้ไวเพราะถ้าเราเรียนรู้ลักษณะของคนผ่านอย่างว่า น, นี้แล้วอย่างนี้นะคนเช่นนั้นมาชักชวนให้เขาพักเขาพวกเราก็ไม่เข้าไม่เล่นด้วยเขาจะเอาอะไรมาปนเปือเราก็ไม่เอาเมื่อเรารู้นะเรารู้ว่านี่มันจะชวนเราไปทางจีผายอย่างนี้นะเราก็ไม่ไปกับเขาเลย ทีแรกมันก็สักชวนไปดื่มสุราเมรัยเข้าไว้ต่อไปมันไม่ใช่แต่เวสุราได้แบบนี้นะกัญชายาผิ่นเข้าไปมันก็ตกหนักเข้าไปเรื่อยเข้าไปอันนี้แหละถ้าทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นของลีวิเศษจริงๆเนียสอนให้คนเรานั่นน่ะรู้จักละเว้นจากกรรมอันชั่วให้ทำแต่ในสิ่งที่มันไม่มีโทษ ก็เมื่อเรามานับถือพุทธศาสนาแล้วต้องศึกษาให้รู้สิให้รู้ว่าทําอย่างไรเป็นโทษพูดอย่างไรมันเป็นโทษทําอย่างไรเป็นคุณพูดอย่างไรมันเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะเราพยายามศึกษาคิดอ่านตรีตองให้รู้ให้เข้าใจโดยเฉพาะผู้ที่บวชเข้ามาอย่างนี้นะเราเราต้องมีโอกาสได้คิดได้ ตรีตองเรื่องดีเรื่องช่วยเรือผีเรื่องูกเนี่ยดีกว่าชาวบ้านซํำนะเพราะมันได้โอกาสเต็มที่เลยนี่แล้วบวชเข้ามาแล้วจะอยู่ไปตามยถากรรมอยู่แบบไม่รู้ไม่ชี้อะไรพ อ, พอไาคิดฟังสินธรรมก็บมท้อใจขึ้นมาเลยพอคิดมาเห็นหน่อยหนึ่งก็ท้อใจแล้วงดเสียอย่างนี้เรามันก็ไม่รู้สักทีแหละไม่รู้เลย ก่อนอืนนะเราก็ต้องทําความพอใจซะก่อนเลยทําความพอใจในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเว่าพระธรรมคำสอนนี่ย่อมนําผู้บู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกพ้นภัยไปได้จริงๆพ้นทุกตั้งแต่เบื้องตอน้นที่เราไปนะไม่ใช่จะไปพ้นถึงนิพพานีเดียวเลยดอกพ้นจากการไปเป็นคนยากจนคนแคบในโลกนี้ ถ้าเกิดเป็นคนมา ก, ก็ดีอย่างนี้นะให้มีฐานะดีไม่ไม่ถึงกับต้องเป็นหนี้เป็นค่าของใครนี่นี่ก็เรียกว่าพ้นทุกประเภทหนึ่งพ้นจากความยากจนขนแค้ น, นแล้วเมื่อตายไปก็<น>ให้ไปให้พ้นจากนรกเปรตอสุรกรายสัตว์เดรัจฉานอย่าให้ได้ไปเกิดในกำเนิดทั้งสี่นี้ นี่ก็เรียก ว, ว่าเป็นการพ้นทุกข์ส่วนสำคัญทีเดียวเลยนั่นคนเราเมื่อพ้นจากอบัยภูมิทั้งสี่นี้ได้แล้วมันก็มีความสุขแล้วบ้านี้แสดงว่าเป็นคนมีบุญเนี่ยแล้วก็ไม่ทำบาปมันถึงไม่ได้ไปเกิดในอบัยภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นก็แสดงว่าเป็นคนมีบุญเป็นที่พึ่งบุญก็นำไปสู่ความสุขความเจริญมันเป็นอย่างนั้น สถานที่เกิดของคนเรานะมันมีบุญกรรมน่นะตกแต่งให้นะอืมไม่ไม่มีใครไปทําไว้ให้ใครหรอกอย่างนารกอย่างนี้นะไม่มีใครไปสร้างไว้ให้ใครเลยกรรมทั่วที่ตัวทําลงไปนีเนะี่ยมันขยายนารกขยายพวกออกไปอะนนี้ขยายจากพว ก, พวกที่อยู่ก่อนนั่นแล้วนะเมื่อปล่อยมงนไปเพิ่มกันไปอิ่มนรก กำชั่วของผู้ทำนี่ก็ทำให้ขยายมรรคให้พ่วงออกไปอีกมันเป็นอย่างนี้สวรรค์ก็เหมือนกันนะไม่มีใครไปสร้างไว้ให้หรอกก็เมื่อบุคคลได้สร้างบุญกุศลได้ชำระบาปออกแก่ก า, า, ายวาจาใจทุกตนให้มีตั้งแต่บุญแต่คุณตั้งมั่นอยู่ในจิตใจอย่างนี้นะเมื่อตอนตายลงบุญกุศลเราเนี่ย ไปตกแต่งปริยมิตรที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นสุขสบายดีไม่มีใครไปสร้างอะไรให้ใครเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสัจว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแหะแต่คนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อนี่มไม่ค่อยเชื่อไ ม, ไม่เอาใจใส่หมก็ควางั้นไม่คิดไม่ตริตรองเหตุผล จึงไม่เชื่อเพราะตนมองไม่เห็นด้วยปัญญาตาใจก็จึงไม่เชื่อโลกนี้โลกน้าไม่เชื่อนรกสวรรค์นิพพานถ้าผู้ใดผู้มีปัญญานะท่านเชื่อก่อนจะเชื่อนรกอย่างนี้ก็ต้องใช่เหตุผลพิจาจรนาเหตุผลเรื่องนรกให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาของตนเสียก่อนว่าอ๋อนรกนี่มันมีจริง่ะ เขามีเหตุเหตุผลเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นอืมอย่างนี้ก็พูดอย่างสั้นๆว่าบุคคลจะไปตกนรกก็เพราะเบียดเบียนบุคคลอื่นน่ะสัตว์อื่นนั่นเนี่ยนี่ละมูลเหตุที่ยาไปตกนรกนะสัตว์นรกที่ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นทั้งจะเป็นมนุษย์ล้วนจะเบียดเบียนบุคคลอื่นน่ะสัตว์อื่นทั้งนั้นเลยไม่ใช่ทํากรรมอย่างอื่นใดนะ เรื่องเบียดเบียนกันสังเกตดู ข, ข้อห้ามห้าข้อนั้นลองดูสิมันเป็นเรื่องเบียดเบียนกันทั้งนั้นแหละคุนั้ น, นยไม่ใช่ใครไปทำกรรมชั่วอย่างอื่นนอกจากห้าข้อนั้นไปไม่มนีนั่นแหละที่สัตว์ทั้งหลายไป่ตกนรกนั่นเพราะว่าไปทำกรรมชั่วห้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึง่งมันก็ร้วดจะเป็นเรื่องเบียดเบียนตบนเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นทั้งนั้นเลยเนียน่เป็นแค่นั้น เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดมารู้ตัวว่าตนนั้นได้เว้นจากการเบียดเบียนได้แล้วโดยประการทั้งปวงตนไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนสัตว์สิ่งเดรัจฉานต่างๆพวกนี้งดเว้นแล้วไม่เบียดเบียนทรัพสมบัติของใครอย่างนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าเมื่อตนตายลงตนจะไม่ไปสู่นรกอบายภูมิแน่นอนเลย ต้องให้มั่นใจอย่างนั้นผู้ปฏิบัติทำในพุทธศาสนานี้นะอย่าเพียงจะไปเชื่อผู้อื่นพูดให้ฟังเฉยเราต้องพิจารณาให้เห็นชัดลงไปว่าทางที่พ้นทางที่ดีดําเนินพ้นไปจากนรกนั่นไปยังไงกันทางไปสู่นรกไปยังไงกันนี่เราศึกษาให้รู้ให้เข้าใจด้วยตนเองโดยแจ่มแจ้ง เช่นนี้แล้วมันก็ไม่ถงสัยเลยมเมื่อตนเล่นจากครรมทั่วดังกล่าวมานั้นได้แล้วตนก็มั่นใจว่าตนไม่ได้ไปสูน่นรกอบายภูมิแน่นอนอืไม่ต้องคอยไปฟังแต่ผู้อื่นพยากรณ์ให้ว่าเจ้าเนี่ยจะต้องไปสู่สวรรค์บ่เจ้าจะต้องไปสูน่นรกบ่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องอย่างนั้นไม่แน่นอนหรอกคนอื่นเขาพยากรณ์นะไม่แน่นอน มันเป็งนงั้นดังนั้นน่ะที่พูดมาลาดับโดยลำดับนี้นะ่ะหมายความว่าคนเราต้องฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นในตนจึงจะเอาตนนอดจากทุกได้เท่าที่พูดมานี่นะได้ได้ตั้งปัญญาเป็นกระทู้แล้วอธิบายมาโดยลำดับมันเป็นอย่างนั้น ปัญญาในทางโลกก็มีอย่างนั้นวันนี้ปัญญาในทางธรรมปัญญาในทางธรรมนี่เราพยายามศึกษาเราเรียนท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระเเจ้าให้ได้หรือไม่เท่านั้นก็ยินดีในการฟังคำสอนบ่อยๆเข้าก็เป็นเหตุให้รู้จักว่า บาปเป็นอย่างนี้บุญเป็นอย่างนี้คุณโทษเป็นอย่างนี้นี่ก็รู้ได้เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นะที่บอกเลยอย่างนี้ใน ว, วันนี้เมื่อเราเรียนรู้อย่างนั้นได้ยินได้ฟังมางั้นแล้วคนน้อมเข้าไปวิจารณ์ในใจนั่นอนะโอที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเป็นบาปเป็นโทษนี่มันเป็นจริงๆหรืออย่างนี้มีเหตุผลอย่างไร เอาไปตติไปตรองอยู่ในใจนั่นให้มันเห็นแจ้งในใจของตนอ๋อการทำชั่วยอย่างนั้นมันเป็นโทษเป็นบาปเพราะมันทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วผลแห่งการกระทำจะไม่ย้อนกลับมาหาตนเป็นไ ม, ม่มีเหตุผลมันปรากฏในใจอย่างนี้แล้วมันก็เว้นจากการเบียดเบียนได้เลย มันเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าผู้ใดไม่ได้ใข้กลัวไม่ได้พิจารณาเรื่องบาปเรื่องโทษอย่างว่านี่เหตุผลดังกล่าวมานั้นไม่ปรากฏในใจผู้นั้นก็ะเว้นจากกรรมชั่วไม่ได้ดังนั้นมันจึงว่าเกิดจากภาวนาอะไรวันนี่บุคคลจะละบาปละกรรมชั่วได้จริงจังลงไปภาวนาทาใจสงบแล้วนี้ มามองดูบุญบัดนี้นะเอาบุญมันเป็นยังไงก็เคยพูดมาแล้วตั้งหลายครั้งในเรื่องลักษณะของบุญเนี่ยบุญเนี่ยแปลว่าความดีบุคคลผู้ทำความดีให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นก็อย่อมได้ความเบิกบานใจเช่ยนยะเห็นเขามีอุปสรรคขัดข้องอะไรต่างๆนั้นนาะ มาพี่นาดูนะบุคคลคนนี้สมควจะช่วยเหลือนะอย่างนี้นะเราก็ช่วยเขาไปอย่างนี้เมื่อเขาพ้นจากอุปสรรคนั้นไปล้วก็ดีอกดีใจเออนี่มันเกิดจากเมตตาธรรมที่เราได้ใช้เราได้ทาให้เกิดให้มีขึ้นถ้าเราไม่มีเมตตาธรรมอยู่ในใจนี่เราก็จะไม่ช่วยคนคนนี้อย่างนี้ก็ดีอกดีใจขึ้นมา กว่ น, นั้นแล้วถ้าเรียกว่าบุญนะเ ห, หมือนควมว่าการทําบุญนี่คือทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนด้วยแก่ผู้อื่นด้วยเนี่ยว่าสั้นๆลงไปทำอะไรก็ช่างเหมายความว่าต้องเอาประโยชน์ตนขึ้นหน้านี่หมายความว่ายัางไงอ่ะหมายความว่าเมื่อเราช่วยเหลือคนพวกนี้คนเหล่านี้ แล้วมันจะไม่เกิดบาปเกิดโทษอะไรแก่เราอย่างนี้นะอบาปโทษทั้งหลายก็ไม่เกิดแก่เราแล้วเราช่วยเหลือคนนั้นคนนั้นเขาก็มีความสุขความสบายไปอย่างนี้นะดีเรียกวัดการกระทาของเรามันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นด้วยอืถ้าเราถ้าการกรรมบางอย่างนะไปช่วยคนอื่นแต่ตัวเป็นผู้รับบาปอย่างนี้ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นผลดีอันนั้นนะดันั้นเราต้องคิดถึงตนก่อนอื่นทั้งหมดก่อนที่เราจะทำอะไรกับใครที่ไหนจะช่วยเหลือใครถ้าเห็นว่ามันไม่เป็นบาปเป็นโทษแล้วเราก็ถามลงไปช่วยเหลือกันไปเท่าที่จะช่วยได้แล้วทีนี้การทำความดี มันจะต้องมีความชั่วแทรกแตงเข้ามาผู้ที่จะให้ความดีของตนมันจเจริญไปได้หรือตั้งมั่นอยู่ในจิตใจได้มันก็ต้องกีดกันความชั่วคือไม่ยึดถือเอาความชั่วที่บังเกิดมาแต่ภายนอกนั่นแะคนอื่นหยิบยื่นเอามาให้เราไม่รับเอาเราสลัดทิ้งออกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเมื่อเราไม่ยึดเอาความชั่วภายนอกเข้ามา แทกแ่งไว้ในไม่มาแทรกแ่งบุญกุศลความดีของเราอย่างนี้บุญกุศลความดีที่มีอยู่ในใจมันก็ไม่เสื่อมไม่เศร้าหมองมันก็ผองใสสะอาดอยู่นั้นเหมือนอย่างบุคคลผู้นุ่งห่มผ้าใหม่สะอาดแล้วก็มัตตวังเนื้อตัวอย่าให้สิ่งโถโครกมาแปดเปื้อนอย่างนี้นะเครื่องนุ่งเครื่องหอม่มแล้วมันก็สะอาดสะอ้านไปเรื่อยอย่างนั้นเนี่ย จิต ใ, ใจคนเราก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมีภาวนามีสมถะทาทใจตั้งมั่นอยู่มีปัญญาตามรักษาใจอยู่เสมอเมอเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรมากระทบกระทั่งเขาก็รู้เท่าทันถ้าเป็นเรื่องชั่วไม่ยึดถือเอาเลยละทิ้งไปเลยถ้าเป็นเรื่องดีมาถึงเข้าก็กาหนดพิจารณาว่าความดีประเภทนี้ควรทา อย่างไรบ้างอืมก็ต้องอยู่ในดุนญปินิทพิจารณาถ้าเห็นว่าความดีที่มีบุคคลมาชักชวนให้ทําลงไปนี่เห็นว่าดีควรทําเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นจริงเอากระทำลงไปนี่เรียกว่าคนมีปัญญานะความดีบางอย่างมีผู้ชักชวนมาทําไปทําแต่ว่าทําให้ตนเสียสินอย่างนี้เรียกว่า ความดีอันนั้นไม่ชอบไม่เอาก็งดเว้นไม่ทำตามที่มีผู้มาชักชวนนี่แหละเรื่องของปัญญานะมนรู้จักเลือกเฟ้นนะสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วคนมีปัญญาแนละ้วรู้จักเลือกนะมาดีปัญญาอันนี้เรียกว่ามันเป็นปัญญาขั้นที่เราดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นการหลีกเลี่ยงจากความชั่วรักษาความดีให้มั่นคงไว้ในใจิตใจส่วนปัญญาอย่างสูงขึ้นไปก็ได้แก่ปัญญาที่เรามาสอนใจมาให้ยึดมัน่นถือมั่นอยู่ในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่ถ้าขืนยึดไว้่างนี้มันก็เป็นทุกขโทมนัสเดืเอดร้อนเพราะมันไปเที่ยงนั่นแหละเราจะทะนุถนอม จะเรียงดูมันตักเท่าไรเท่าไหร่มันก็ไม่ยังยืนอยู่ได้มันก็แปรปวนวันไหวอยู่นั่นแหละมันจะเป็นปกติอยู่ในชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองขั้นต่อไปมันก็เกิดวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอยู่อย่างนั้นดังนั้นถ้าหากว่าจิตใจนี้ไปยึดถือว่าเป็นตัวเราตัวของของขอ ง, ของเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแนม ถ้าถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจทุกวันทุกเืนไปว่าขันห้านี่ไม่ใช่ของเรานะเรามาอาศัยสร้างบุญสร้างบารมีอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นเองเมื่อหมดบุญหมดกรรมของเก่าแล้วมันก็แตกทำลายลงไม่มีสิง่งใดจะมารับประกันได้เพะฉะนั้นอย่าไปถือมั่นอย่าไปเสียใจดีใจกับธาตุสี่ขันห้าอันนี้คง ลงให้ไว้ตามสภาพของมันเมื่อใช้อุบายสอนจิตใจเข้าไปานี้นก็ปรงก็วางลงให้ใจมันสงบมันให้อารมณ์เหล่านั้นมันมนะงับดับไปช่วระยะหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ฝึกปรงขันห้าวางขันห้าลงไปแล้วมันก็จะเป็นทางต้นทุกข์ใกล้ต่อโลกุตระธรรมหรือพระนิพพาน ได้โดยแท้ดังแสดงมาขอจบโรงเพียงเท่านี้